สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านครับเราอยู่ในคัพเรียซูสี่สิบเยชูกับนิโคเดมัสตอนที่สี่นะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของชีวิตนิรันดร์ครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นตอนที่สําคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับเป็นการเลือกระหว่างความดีกับความชั่วความสว่างกับความมืดและเป็นการตัดสินอนาคตของเราทั้งหลายแต่ละคนครับพี่น้องครับ ผมอยากจะให้พี่น้องได้กลับไปแล้วก็ดูในพระโอษะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับชีวินิรันในหลายๆเรื่องหลายๆตอนนะครับพระโอษณะของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวินิรันแผนการแห่งความรอดผมอยากจะกล่าวถึงอบริบทเรื่องนี้นะครับเมื่อพระเยซู <c oughs> ทรงบอกกับนิโคเดมัสสอนเขาเป็นการส่วนตัวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พิรุษแต่มีชีวิตนีรันคำว่าชีวิตีรันครับเป็นหัวข้อในวันนี้ <c oughs> แผนการแห่งความรอดซึ่งมาจากพระเจ้านะครับก็คือการที่พระเยซูได้ถูกพระเจ้าพระบิดานั้นส่งมาเพื่อปฏิบัตินะครับภารกิจมิชชั่นขององค์ก็คือการตายการตายแทนนั้นเป็นการที่ เปิดทางความรอดให้กับมนุษย์ทุกคนเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงรักเราทั้งหลายทุกคนครับและของขวัญที่พระเจ้าทรงให้กับเราก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ของขวัญชิ้นต่อมาที่เปเยซูให้กับเรานั้นก็คือความรอดครับขอโทษครับแผนการของพระเจ้านั้นก็คือเปเยซูจะต้องชิ้นพระชนมบนไม้คางขนเพื่อทุกคนที่วางใจในการชิ้นพระชนของพระองค์ และยอมรับมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ในเช้าวันนี้นะครับเราไปดูชีวิตนิรันดร์าประการด้วยกันผู้ที่ไม่ยอมรับจะพินาศครับผู้ที่ยอมรับมีความเชื่อความศรัทธาจะไม่พินาศเปเยซูทรงอธิบายความจริงเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ให้นิโคเดมัสฟังนะครับว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาโลกหรือลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็จะต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้วางใจในพระบุตรของพระเจ้าถ้อยคาเหล่านี้นะครับชัดเจนมากครับมีให้ทางเลือกอยู่สองทางด้วยกัน เหมือนกับเราเดินมานะครับที่ทางแยกเราต้องแยกซ้ายแยกขวาครับเราจะต้องเลือกไปทางไหนครับระหว่างความมืดกับความสว่างความสว่างนั้นนําไปถึงชีวิติรันแต่ความมืดนําไปถึงความวินาศพี่น้องครับชีวิติรันห้าประการนะครับเป็นลักษณะหรือความสําคัญของชีวิติรันทั้งห้าประการนี้นะครับประการแรกครับพระมุทียอนบทที่สามข้อสิบหกได้กล่าวว่า ไม่พินาศคำว่าไม่พินาศนั้นมีความหมายว่าไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาคนไทยเรานั้นเวลาอ่านข้อพระข้อนี้อาจจะมีความเข้าใจต่างกันกันกบพวกเราก็คือเขามีความรู้สึกว่าพินาศเป็นสิ่งที่ดีเพราะอยครับเพราะว่าพินาศนั้นหลังจากพินาศคืออะไรครับก็คือการหายไปนะครับการเป็นศูนย์ภาพ การที่ไม่ต้องมีตัวมีตนในโลกนี้อีกแล้วนะครับแต่เพราะเจตนของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพิ่นาฏเป็นอย่างนี้ครับแต่พินาฏนั้นมีความหมายว่าไม่ต้องเข้าสู่การพิาพากษาซึ่งทําให้เกิดการแยกขาดจากพระเจ้าตลอดช่วงนี้ดีลันครับความเป็นตัวตนนั้นยังมีอยู่ครับไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ เป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งและเป็นความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่คนที่พระเจ้าสร้างวิญญาณที่พระเจ้าสร้างร่างกายที่พระเจ้าสร้างไม่ได้อยู่กับพระองค์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ถูกตัดขาด น, นั่นแหละครับคือการพิภากษานิรันพี่น้องครับผู้ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ต้องเข้าสู่การพิภากษาเช่นนี้ครับ ประการที่สองครับชีวิตนิรันนั้นได้รับทันทีโดยมีการันตีด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพิพ่มพีบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นมัดจำของชีวิตนิรันต์หรือการบังเกิดใหม่นั่นเองพี่น้องครับชีวิตนิรันนั้นเราได้รับทันทีอันเนื่องจากความเชื่อความศรัทธาความเชื่อความศรัทธานั้นไม่ได้หมายความถึงว่าเรามาเข้าศาสนา แต่ความเชื่อความศรัทธานั้นก็คือความไว้วางใจในพระบุตรองค์เดียวก็คือเปรียสุนีและเราได้รับทันทีครับชีวิติรันนั้นประการที่สองนะครับก็คือได้รับทันทีโดยมีการันตีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากความเชื่อความศรัทธาของผู้ที่ได้รับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่พี่น้องเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้นะครับ เรารู้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนบังเกิดใหม่เขาเป็นประชากรแผ่นดินสวรรค์แน่นอนเป็นประชากรทั้งสองที่นะครับบนสวรรค์และบนโลกนี้นะครับประการที่สามครับเราต้องเข้าใจว่าการที่เราได้รับชีวิติรันนั้นความสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นก็คือเราจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วชีวิติรันของเราจึงสมบูรณ์แบบ ตอนนี้เป็นช่วงแค่ทางซีเซนหรือการเปลี่ยนผ่านจากความมืดนะครับไปสู่ความสว่างนิรันต์จากชีวิตที่พินาศหรือจะต้องเข้าสู่การพิพากษาเรากําลังจะไปถึงการไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาชีวิตนิรันต์นะครับนี่คือการเปลี่ยนผ่านภาษาอังกฤษจกว่าทางซีเซนโนหรือทางซีเซนเพียร์เรนั่นเองให้เราเข้าใจนะครับ และเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เลยแต่ช่วงนีเง้เราทั้งหลายยังเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นชีวิตนิรันดร์ของเรานะครับที่เราได้รับทันทีแล้วนะครับยังไม่ไปถึงความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบอยู่ที่ไหนครับความสมบูรณ์แบบนั้นอยู่ที่ชีวิตนิรันดร์หลังจากที่เราจากตรงนี้ไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าเราทั้งหลายนั้น กำลังปั้มสู้กับชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เพื่อที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่เพราะเหตุปัญหาความบาปที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราหลายหครั้งครับเราอยากจะทํานะครับเราก็ทําไม่ได้เราก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เราอยากทําและเราหันกลับไปทําสิ่งที่เราไม่อยากทําหมายความว่าเราอยากจะทําดีเราอยากจะทําสิ่งที่ชอบเราอยากจะทําสิ่งที่เป็นนามัสไทยของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์ตามพระเจ้นะของพระองค์แต่เราก็ทําไม่ได้ นะครับแต่ความบาปที่ฝังอยู่ในตัวเราเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถทําสิ่งที่เราปรารถนาจะทําอาจารย์เบลโลจึงบอกว่าโอ้ยเขาพระเจ้าจึงเป็นคนที่น่าสมเพชอยเช่นนี้เพราะเหตุที่ว่าในชีวิตของอาจารย์เบลโลนั้นมีการปั้าสู้กันระหว่างความดีความชั่วที่อยู่ในตัวความบาปที่เป็นสาเหตุและฝังอยู่ในตัวของเราทั้งหลายซึ่งมีชีวิตนิรันดอยู่นั้น เพราะเหตุที่เรานั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนบาปร้อมรอบไปด้วยคนบาปเพราะเหตุที่เรานั้นมีร่างกายที่อ่อนแอแล้วถูกล่อลวงได้มีความคิดที่อ่อนแอมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเราถูกล่อลวงจากมารซาตานได้ในขณะเดยียวกันนะครับมารซาตานมันก็มาทดลองมาล่อลวงเราทั้งหลายตลอดเวลาพี่น้องครับแต่เมื่อเราได้รับชีวิตนิรันดร์ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหมดครับ มารสถารไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล่อลวงเราอีกต่อไปเราออกจากโลกนี้ไปแล้วออกจากสิ่งแวดล้อมที่มีคนที่ไม่ดีคนที่เป็นคนบาปมาวนเวียนมาล่อลวงเรานั่นแหละครับเป็นเวลาแห่งความสมบูรณ์แบบชีวิตความบริสุทธิ์นั้นจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันประการที่สี่ครับชีวิตเรา น, นั้นเกิดจากหรือคําว่ามาทางพระเยซูองค์เดียวครับ พี่น้องครับที่นี่บอกว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นคำว่าทุกคนที่วางใจในพระบุตรก็หมายถึงเฉพาะบางคนนะครับที่วางใจในพระบุตรพี่น้องครับพอพูดอย่างนี้แล้วบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะผมมีความเชื่อผิดเพี้ยนเลยเปล่าไม่ใช่ครับแต่นักวิจาร ก, การกําลังพูดให้เราฟังนะครับว่าทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นก็คือบางคนครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อพระเยซูในโลกนี้แต่เฉพาะคนที่เชื่อพระเยซูเท่านั้นจะไม่พินาศนั่นหมายความว่าเมื่อเฉพาะคนที่เชื่อพระเยซูนั่นหมายความว่าเฉพาะทุกคนที่เชื่อพระเยซูซึ่งเป็นสับเซตของประชากรในโลกนี้เพครับคนที่เชื่อพระเยซูเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับคนที่เชื่อพระเยซูเท่านั้นจึงจะไม่พินาศ คนที่มาทางพระเยซูเท่านั้นจะไม่พินาศเพราะไม่มีน้ำอื่นนะครับซึ่งทำให้เราต้งหลายรอดได้ในโลกนี้ไม่มีน้ำอื่นครับพระเยซูเป็น The Only One Way The Only One Way ก็คือเป็นทางเดียวเท่านั้นนะครับประการสุดท้ายครับ <c oughs> ชีวินิรัน อยู่นอกเหนือมิติของเวลาพูดง่ายๆว่าเวลานั้นไม่มีความจําเป็นไม่มีความสําคัญกับชีวิตนิรันต์อีกต่อไปเพราะคําว่านิรันต์นั่นเองนัครับเรานั้นไม่เคยมีประสบการณ์อยู่นอกเหนือมิติของเวลาเพราะตั้งแต่นับตั้งแต่เราเกิดมาเราอยู่ภายใต้มิติของเวลาทั้งสิ้นครับแต่หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเราไม่ได้อยู่ภายใต้มิติของเวลาอีกต่อไป นั่นคือชีวิติรันที่สมบูรณ์แบบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและให้เรารู้ว่าการมีชีวิตอิรันนั้นได้รับจากการที่เราวางใจในพระบุตรอาเมน